ว่าทมเป็นความลึกซึ้งมากทางจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มรู้ทุก่านความรู้สึกทางด้านจิตัธรรมนาเด่นกว่าด้านอื่น คือความซึ้งในการให้ทานคือผมที่เกิดขึ้นจากการให้ฐานที่ประจับ ก, กับใจก็เป็นความซึ้งประเภทหนะึ่งเกิดจากการให้ทานสียก็ซึ้งประเภทหนะึ่ที่เกิดจากการทาความดีทั้งหลายก็ซึ้งซึ่งแต่แตและประเภทนี้เรียกว่าสุนลรธรรมแต่ ท, ที่ที่รวมอที่ซึ้งทั้งหลายก็คืออิจฉาพรานเรื่อง มีความรู้สึกทราบซึ้นไปแต่จิตนีเริ่มมีความสงบจิตใจเอีนกระแสเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแม้จะยังมีอะไรอยู่ภายในจิตที่รวมเข้ามาก็ตาแต่ก็เริ่นแสดงความทราบซึ้งภายในตัวเองให้เห็นท่านถ้าจิตหรือธรรม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 และยังจะมีความต้องการกันตลอดไปจงกระทั่งโลกนี้หมดความหมายไร้ความรู้สึกรีชั่วแล้วนั่นแหละโลกถึงจะมุตตนาคำว่าธรรมหรือคำว่าความสุดความลึกซึ้งความอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมหรือความอัศจรรย์คือธรรมแต่นี้ธรรมไม่สามารถที่จะแสดงก่ก ให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมอกทางลิ้นทางกายเหมือนันสิ่งมึนอื่นแม้จะเป็นนามธรรมค่าคืนกับธรรมก็ตามเช่นกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อทำแสดงตัวออกได้เช่นนั้นเมื่อกโลกมนุษย์จะต้องมกถือ ศาสนาเพื่อทำส่วนนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่ง ใ, น ใ, นใดบๆบรรดาในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นควาอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดทุกจิตเกิดออขึ้นทุกจิตจิตเป็นผู้รับทราบ แต่รับทราบเฉ พ, ะพาะจิตธรรนั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันมัเป็นเป็นสิ่งหรือเป็นเป็นความขัดขออนน้ออั้นแย่งธรรมที่นำออกทางวัตถุต่างๆไม่ได้ จึงทําให้โลกขาดความสนใจแม้ผู้ต้องการความารักจันก็ไม่ทราบว่าความารักจนั้นคืออะไรหรือความลึกซึ้งความซาบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความซาบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับความอักจันเพราะไม่ใชได้านกระจุกหูก็ไม่เคยได้รับความารัจันจากกระแสแห่งธรรม เพราะทำะแสดงเป็นกระแสเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้นีเป็นอุปสรรคอันหนึ่งคือจะทำให้คนเกิดความทับซึ้นไหยทาไม่ได้เกิดความเชื่อถือเนทําไม่ได้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่เดินมาตรัสรู้ในโลกและสอนทำแต่โลก ทุกๆพระองค์แน่ใจว่าท่านต้องสมคิดอ่ายเราสิ่งเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้โลกไปมองผมทนธรรมซึ่งเป็นของอสิยเจ้านี้เพราะพระอดตั้งริโชในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจแน่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้น เป็นความเป็นสิ่งที่ช่วยให้ดูดงมากมายยิ่งกว่าการสัมผัสด้วยใจมันไม่มีทางนำออกได้จึงได้ทรงนำออกมาด้วยการประกาศสั่งสอนชีทั้งทางเหตุคือการประบัติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจุดน้ำน้ำหรือขั้นนั้นนั้นน ประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประโสะเอ้าจั่นตามขั้นตามภูนธรรมซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทางจิตใจจนกระทั่งถึงความอัจาริ์ อ, อันสูงสุดได้แต่วิมุตความหลุดพ้นทางใจที่เรียกว่ามิตรทานภายในใจทุกทุ ก, ท ก, ทกทองจำเป็นต้องประกาศสอนธรรมหรือหาอุบายเอา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 ดังกล่าวไม่มีองค์ในในความบกพ้องในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าพุะพุกธองค์เป็นผู้ทรงแล้วซึ่งทำอัศจรรย์ดวงนี้คืออัศจรรย์อยู่ที่จิดเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนำความอัศจรรย์ที่ปรากฏยูนี้ออกแสดงตัวได้อย่างไอ้มรรทุมแห่งความอัศจรรย์นี้เท่านั้น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 แล้วสัมผัสขึ้นภาในจิตใจของตนโดยลําดับํ ๆ, ๆ, ๆนั่นชื่อว่าอะไรสัมผัสธรรมแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึงภายในจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายแห่งความฉลาดแหลมคมในวิธีการสั่งสอนแล้วก็ไม่มีใครโดนพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไปได้แม้แต่น้อยก็ได้ทรงนําออกมาเท่าที่เห็นสมควรจะเป็นไปได้จากลงมนุษย์เท่านั้น อยางอื่นไม่สามารถที่จะนําออกได้เป็นความอาารหันย์ในคาถาจริงๆที่จะนําออกมาพิคลาให้สารโลกได้เห็นวันนี้ความอาจารย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมอย่างนี้ทําไม่ได้นี่ความอาหาันต์แห่งความมืดสุดของใจซึ่งแต่ก่านชี่เล็ดครอบงำอยู่เป็นเหมือนกับมูลสดมูลแห้งแต่เวลานี้กลายเป็นธรรมชาติเกลโดยสุดทุกฝั่ง หรือเป็นผู้ธรรมชาตที่บริสุทธิ์อัศจารย์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูเอาท่านเลยท่านทําอย่างนี้ไม่ได้ถึงได้สอนหรือุบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องาวไว้บอกผลก็เป็นอย่างนั้นนั้นคือมีแต่ลมผู้ ง, ง่าไๆนํำอมาะูดนี้จะเป็นลมปานั่นเองความจริง อ, ออกมาไม่ได้ แต่าอัศจรรย์นนี้ธรรมชาติอัศจรรย์นั้นเอออกมามาได้เราจะนําออกมามจออมาต่กิเยส ว, ว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์ให้เราได้คาดเปยนหมายอื่นว่าเป็นยังไงอัศจรรย์นั้นก็มาหายสงสัยแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่คือจะทําให้รู้ทำเห็นธรรมคือเป็นของอัศจรรย์เหลังนี้ก็เชื่อตามหลักธรรม ที่ทางสอนไว้นั่นแหล่เป็นความถูกต้องแต่พิสติปฏิบัติดำเนินตามเป็นยากลําบากเพียงไรก็ตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปิดแวะเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงี่ป้าหมายเช่นเดียวกันกับผู้ดำเนินเพื่อความลำบากอย่างนี้ไม่มีุเพราะการยากหรือการลําบากใดๆก็ตาม เราอยากถือมาเป็นพุทธศัพในการนาเนินคือการปฏิบัติของเรายากก็ต้องถือทุกข์ลำบากก็ต้องถนเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทำจะต้องแบบส้องามในขณะที่ทำงานนั่นแหละค้าว่าทำเป็นนำถวายจิตเป็นทำทำเป็นจิตจะเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขณะทีู่้ นั่งมือถ้ามีขันอยู่เรียกพระจิตบริสุทธิหรือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุเจ้าเราพูดได้เกี่ยวกนะเพราะความจากขันไปแล้วไม่มีสมมุติพอที่จะทาสถึนเทียงเที่ยงกันได้เลยจึงพูดไม่ได้แม้ธรรมชาตินั้นจะอาจารย์ดูตามหลักธรรมชาติของตนเพียงไรก็าตามก็ไม่วิสไม่ใช่วิสัยเราที่จะไปพูดไปเรียกไปเทียงได้เพราะไม่มีสมมุติเป็นที่พึ่งผิดหรือเป็นที่เที่ยง เส้นเดียวกับเราอยู่บนอวกาศถ้งจริงๆแล้วทิศใต้ทิศเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบกันถ้าเรามีที่อยู่เช่นอย่างบนพื้นแผ่นดินนี้ตอนออกตอนตกเราพูดได้ทิศเหนือทิศใต้เราพูดได้เพราะมีสิ่งที่พอจะเทียบเทียมหรือพอพูดได้ว่าทิศใดทางไในเป็นทิศของอันไหนเหนือทิศใต้สูงต่ำนั้นสูงต่ำก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้ แล้วสูงจากนี้ไปเท่ไรต่าไปเท่าไหรเหนือไปเท่าไรใต้ไปเทาไรตันอกกันออกไปไปไหนมันพอพูดได้ถ้าวัดดูบนอวกาศจริงๆไม่มีอะไรพาดพูนพอจะวัดนะมันพูดไม่ได้เลยหรืออย่าง เ, เราบินก็มันบินบนอวกาศหรือไม่ทราบมันข่ามมันเร็วเท่าไหร่เนี่ยถ้าทานก้อนเมื่อเราไปทราบว่ามันเร็วข า, า, า, า, าตาของเรานี่ เครบินมันสู้รถโดนไม่ได้ะสายการพาดฟังพวกเราเนี่ยรถโดนมันวิ่งตามถนนเนี่ยโโหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังมันรถโดนมันวิ่งข้างหน้าแต่รถต้นไม้สองภาคทางมันล้มขึนข้างหลังย้อมย่านหลังไปเป็นมันเนาไปเลยความจริงก็นไม้มันก็อยู่เฉพาะมันเป็นเียงว่ารถโดนมันผ่านไปมันมันมีสิ่งที่สัาผัสพลาดพลาดพิงก็เหมือนมารถมันเร็วมันช mm. ้า เรือบินไม่มีอะไรพลาดคุณมองก็ไปเียงเอวยๆมันก็บอกเรบินมันช้ากว่ารถเดินความจริงก็โรบินมันเร็วกว่ารถเดินอยู่แล้วในหลักธรรมชาติอนเมื่อเทียบถึงจิตใจของโดยทนกับจิตใจของพระเจ้าแล้วนั้นก็เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ท่านมาดีอันไหนที่ท่านรับประเสริฐโดยทนนลรมนักจะว่าไม่ประเสริฐไม่ดี สิ่งที่จะของชอบมันจะเร็วกี่นาดไหนมันก็ดีอันนั้นนี่เป็นไปงานเะมือนรถดินมันยิ่เร็วกว่ากับเรือบินนั่นเองการปฏิบัติ จ, จิตใจเป็นสินง่งสาคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโทว พ, พันในจิตใจส่วนมากเรื่องของใจนั่นแหละ เป็นผู้ก่อเรื่องเองผลิกขึ้นมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็หลงอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกถ้าเกิดความเดือดร้อนมุ่นมายเกิดความเสียใจก็เพราะความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินก็เพะความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วกหลงอารมณ์ของตัวเองว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิงนี้เป็นนี้ความจริงสิงมันนั่นเขาก็เป็นมีตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความหมายในเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นตัวให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองเราเป็นความดีใจเสียใจกับสิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็มาตรัสรู้ที่ม น, มนุษย์นี่มอมนุษย์มันสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมคือเห็นด้อย่างชัดๆทุกครั้งอายะจัจจังก็มีตัวกายมนุษย์มนุษ์รู้เรื่องความทนะุกข์น่ะ มนุษย์ฉลาดมีคายาเดยตจังก็มีอยู่ภายานใจของมนุษย์มากทุกประทับแตปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสอันท้าสะวะ่ามนุษย์ก็ทราบมากคืออะไรยืก็มาที่ปัญญาสรุปลงแล้วเรี่อคําดับทุกข์มนุษย์ก็ทราบแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็มาสอนทำในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งพบทั้งหลาย เราเกิดในท่ามกลางแห่งพบแห่าแห่งศาสนาเราก็ควรจะปฏิบัติตัวของเราให้ถูกตามถูดถึงการของศาสนาเพื่อจะรู้เรื่อของศาสนาธรรมซึ่งมีอยู่ในท่ า, กาทมกลางหัวใจเราทรมันกระสวยก็มีอยู่ที่นี่ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดทั้งหมดที่เราจะเอื้อมถึง จิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้รับรู้ทำทำั้งหลายจะอยู่สูงต่ำนะขนาดไหนก็ตามเรื่องของธรรมแล้วจะไม่เหนือจากจิตใจไปได้ซึ่งเป็นผู้จรับภราบดูทั่วทุกทุกทตำแหน่งจิตใจเป็นผู้รับภราบผ่อนอึดจึงควรฝึกสติปัญญาขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ขึ่งมาเกี่ยวข้องกับจิตวันหนึ่งวันหนึ่ง ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาบอกเกิดแห่งทุกข์คือส ม, มุทัยและจากความคิดต่างๆจะขึ้นไม่มีเวลาดยุเวลาถอยเลยขึ้นถึงหัวใจนี่แหละตุ้งแต่งอยู่ที่หนึ่งที่ดูเราพยายามจะทำให้สงบมายังสงบไม่ได้เพราะเหตุอะไรความไม่สงบก็คือความคิดนั่นเองพอคือตลอดเวละ คิด่อไปแล้วก็โอยทุกข์เข้ามาแต่ตัวเองคิด่อไปมากน้อยอย่างไรโอยทุกข์เข้ามา ต, ตัวเองดูอย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าออเป็นสมุทยัยออกออกไปเป็นสมุทัยเข้ามาเป็นทุกข์คือตุงออกไปนั่นเป็นสมุทยัยเวลาผมด้นกลับเข้ามาถุกที่ใจก็คือทุกขนะ์นั่นผิดอย่างนั้นตลอดเวลาเราจะทําให้มีความสงบเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยนั้นต้องฝึกกันเต็มที่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 แต่บ้าอยู่ที่ไหนเดิทนที่ไหนอีก่ไหนเยาะบททั้งสี่ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานักปฏิบัติท่างทำงอย่างนี้แต่พ่อย่างยิ่งถึมนักบวชผู้ปฏิบัติเอากระเนื้อาก็เพื่อจะระงับปันนี้คือฮาร์ดสถานที่อันเหมาะสมในการบำเพ็ญแต่ในบ้านก็ตามไปที่ไหนอยู่ที่ไรก็ตามมีความจดจ่อสืบเนื่องกันโดยลํำดับต่อความเพียนเพื่อจะถอดถอนสมูุทัทยเป็นเรื่องหนาต่ อ, อจิตใจ ให้มันระงับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้ี่เราจะเห็นใน้ะยะช้าในขณะที่จิตสงบตัวลงไปความทุดจุงไม่มีความวุ่นวายก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขณะที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยเมืความจุงมันสงบสมุทัยก็สงบตัวไปด้วย ทุก็สมบตัวไปด้วยหรือแต่ความเย็นสบายอิงะสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเกลียรต่อสู้กับสงครามที่มันก่อกลนอยู่เสมอภายในจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็พอเห็นโทษแห่งความคิดตุงทั้งหลาย ที่มันเกาะควนอยู่เสมอเสมอมาและเห็นคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบมากน้อยก็เป็นความสุขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกําลังแห่งความสงบนายตำราท่านจิตสมาธิจิตที่สงบลงไปแล้วไปรวมกันอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตรวมลงเป็นสมาธิ นี่สมาธิอันแท้จริงเป็นอย่างนี้ชื่อองสมาธินั้นนี่อยู่ทั่วไปไม่เลือกสถานที่แต่องค์สมาธิแท้มีอยู่ที่ใจผู้จะทําให้เกิดสมาธิก็คือใจเป็นผู้ถึกผู้ทํำเองสมาธิมีความสงบต่ก็มีความร่มเย็นเป็นตุกมีฐานเป็นของตนตั้งขึ้นภายในจิตเนี่ยหนามันคมันความบอกแหวกความแผ่น มันเราได้อยู่ในต้นไม้ชายคานั่นเอะเวลาฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบายเพราะไม่ต้องตากแดดตาผฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบสุขภายในตนก็เช่นนั้ น, นแตบบ่ทำแรงกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในขาดวักขาดต่อถ้าความสงบเป็นที่อาศัยของใจ่ในานเดียวกับสมญญาที่6เป็นสิ่ง เป็นเรือนใจอันหนาปัญญาคือความแยกภายความคิดความคิดพิจารณาสอบสอบในเหตุ้นผลทั้งทางนอกทางในเบ้งบนเบื้งล่างสถานทางภายในร่างก า, ายของหน่กตลอดถึงกระแสของจิต ท, ที่คิดออกในแง่ใดกิจปัญญาตามคิดพิจารณาให้รหู้เหตดรูปผลตามความคิดของตัวของใจที่ตามสภาพของสังขารที่มีนในตัวของเรา อเห็นตามเป็นจริงแต่ไปปีงเกีียวกับความจริงการพิจารณาทำทั้งหลายพิจารณาตามความจริงไม่ใช่จะถึงความจริงเกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแกก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแกมันเป็นนำดับเป็นบาอาุสิีก็แก่มาแล้วคั้งสิบนะจนกรทั่งถึงอาวุโ่งนชีวิตมันแก่เป็นที่แล้วมันก็สะลายเนี่ยมันแก่มาตั้งแต่ขนาดแรกที่เกิดนะ แต่วันแกะเดือนแฉะปีมาแล้วก็แฉ่มาละลายตูแฉ่มาเรื่อยเรื่อยดังว่าคนเจริญเติบโตมันแฉกจะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรื่องของมันนี่นี่คือทางหลวงคติธรรมดาหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี้เราอย่าฝืนเขาตันแต่แล้วก็ไม่อยากจะแฉ่จากนุมอยู่เสมอจากเช้าีู่่เหมอือนกัชื่อว่าฝืนความจริมันเป็นทุกข์ฝืนมันก็ไม่เลือก จะซื้อมันเปนทุกหาประโยชน์อะไรนอกจากจะหาทุกข์เท่านั้นการสู้ความจริงมันเป็นทุกข์เนี่ยปัญญาให้พิจาณาอย่างนี้อ้าวอะไรทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนไหนคมีอยู่ปัญญาพอจะแก้ไขกันกแก้ไขกันไปตามเรื่องมันถูกมันก็ถูกมันไม่ถูกเรื่องของมันจะไปถึงตายมันมันก็ไปของมันเองเราไม่ต้องไปบังคับมัน แม่มันตายเพ่อบางคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปกามหลักธรรมชาติทั้งมันพิจารณาตามความจริงทั้งมันอย่างนี้เราก็สบายอ่ะมันไปไหนใครรู้ตามความจริงมันไปมันเจ็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือความตายในข้านขันนี้ที่สุดมันมีทั้งนั้นก็ให้ทราบตามความจริงทั้งมันไม่ต้องเติมฝืนและต้องประท้านคำหยากขึ้นเพราะต้านคำหยากก็คือความบกป้องหรือความหูโหยนั่นเอง ความมีโยไม่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเวลาใดเพื่ออาการใดเช่นหิวนอนก็เป็นทุกข์หิวข้าวก็เป็นทุกข์ที่ดูหิวน้ําก็เป็นทุกข์มันเป็นความหลีกเวลายความหิวความโหยหรือความหิวความอยากที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันล้วนตั้งแต่เรื่องก่อขวนเ้ื่องให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ฟื้นปัญญาฮาพิยนาแต่รองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วมีเรียกว่าปัญญาไม่กินเตือกันกับความหินมันก็สมาัย เราเรียนในตัวของเราหน่เรียนเรื่องความเกิดด้วยเรื่องความแก่ด้วยเรื่องความเจ็บ ด, ด้วยเรื่องความตายด้วยมันมีอยู่ด้วยกันในก้อนธาตุเดียวมันมีไม่ท่าจากกันแหะเรื่องความเกิดก็ธาตุนี้เกิดมาจเจริญหรือแก่ขึ้นมามันก็แ ก, ก่ที่นี่เจ็บมันก็เจ็บที่ น, น, น, นี่ส่วนได้จะหนุนจนได้มันเจ็บที่นี่มันตามันก็จะตายที่นี่เรียนก็ให้เรียนรู้ที่นี่จะไปรู้ที่ไหนเรียนท่านต้องเรียนรู้ที่ทสิ่งที่เกี่ยวข้องกับก่อนอึด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 เน่ยเรียทําเป็นึ่ ง, งจริงๆเรารู้จงๆว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้ให้ฉลาดเพียงจาได้เฉยๆฉลาดด้วยแก้ความสงสัยแก้ความขดัดข้องตนด้วยแก้ความยึดมั่นถือมั่นสําคัญตุวขส่วนด้วยให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆโดยกันแล้วก็่งสามาธขันให้เป็นขันล้วนๆของเขาไปอย่าไปยุ่งอย่าไปแย่งชนงอานาจไปกดขี่บงังคับเขา Harvey. ให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้อย่าไปบงังคับเขาเขาเป็นอย่างในตัวอของเขาดก็ใหพิจารณาตัวเอง เป็นมาช่งทราบเองถ้าจะรังเข้าันรังครับจิตเพื่อมีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงกระทั่งมันลงในหลักธรร า, าติธรรมชาติมังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ถ้าเป็นภาตขันเป็นขันอะไรแต่ก็แต่ทราบด้วยปัญญาอย่างทัดเจนแล้วไม่สงสัยตแต่ยังไม่ตาก็ทราบตรงหน้าไว้แล้วตาแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยิ่งแสดงความจิดขึ้นมาเห็นอย่ากทัดเจนงาเนเรียวกว่าไรยันถามเรีย น, นอย่างนั้นรู้แล้ อาการแบบ่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้นถ่านขันหัายตนาผอหวานขันห้าขันสิ่งานนันเป็นอาการอันหนึง่งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่สติเป็นอาการอันหนึงนาานน่งเป็นเรื่องของใจแต่เป็นทางเครื่องแก้แก้สิ่งที่โมหมองถ้าล้างสิ่งที่โมหมองออกไป จนทั่งเกิดความต่องใสขึ้นมาภายในจิตใจเพราะหน้าของตัณญาเป็นภูชารางทงไซส์เลยของสายเป็นแรกกับบริสุทธน่ะแต่ได้จริงบริสุทธิ์พอพอมนทิมพังหมดประจากษใจความต้องการต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสมันหมดประจา ก, จกษ์ใจต่ก็เบอร์สุดแต่บอร์สุดนั่นเองชื่อเรียนเรื่องขีงตัวเจบอุตตางธรรมจัยยังกระตังกรณีย่างนี่ตรงกระทําบทนี้ แต่็จปิดในศาสนาพุทธมันก็จบแล้วไอ้ที่ทําำยิ่งกว่านี้ไปไม่มีจบด้วยการทำและทําัวเสร็จแล้วแห่การรู้ที่นี่พรความหลงมันอยู่ที่ใจนี่เราเรียนแล้วเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองพอ ร, รู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วการรู้อะไรไปรอีกเนี่ยถือว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงอะไรไปรอีก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 ถ้าเก็สราบ่ายในติเตอแต่ไม่สามารถที่จะนําออกคขี้คายนี้ออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้นั้นเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองก็ให้ตื่นตขึ้นปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ส ก, กปรกล้มงมทั้งหลายออกนั้นเสียสิย่งที่ประเสริฐนากพิการนั่นก็จะปรากฏขึ้นในธรรมชาติโดยธรรมชาติของตัวเอง คือเกิดแค่ทีาจา่จิตอนี้เกียทํารมจบเรียนโลกกระจบตรงนี้โลกก็คือโลกแห่งขันเรีนโลกแห่งธาตแห่งขันที่มีอยู่กับตัวของเราเรียนธรรมก็คือทํามขันไหนจะว่าไรจนกระทั่งถึงนี้มุ่ติทําเจ้าด้วยการทํางนั้นเรียนโลกกระจบทเรียนธรรมก็รอบก็จบทหายสงสยัย ไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยตอบอีกวันนั้นก็ดูไปถือถ้าเป็นอย่างนั้นนะสงครามก็งักดับหมะสงครามระหว่างติดกับพี่เหล็กดื่องระหว่างทำกับพี่เหล็กเขาก็สิ้นสุดกันแบบนั้นรู้ภกรู้ชาติรู้กันทินิรู้กองทุกข์ในวัฏสงสารคือกลายเป็นเป็นนักของเถี่อนในวัฏสงสารก็รู้กันทินีิรู้กันทิ น, น, ท น, น, ทนีิรู้แล้วก็หมดปัญหากันทินิ โลก ก, กว้างแสนกว้าง ม, มีอะไรตุ่มปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องกายเทนั้นเองตายที่สงตัวเองหลงสิ่งทั้งหลายงวดแทะตัวเองที่เกี่ยวข้องกั บ, กบสิ่งร้ายจนโดยสิ้นเพิงไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หมดปัญหากันทางนั้นทางนั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนี้ผ่านอืเรียนทําจบเรียนหนังเรียนโลกเรีนนยาานาตุขันจบก็จ บ, จบตรงที่นี้การพยายามทำ ให้เห็นความอรยิยรดังที่กล่าวแล้วในมูลตกพระพุทธเจ้กาก็ดีพระสงฆ์สาวกอรท่านมีธรรมอริยธรรมอีภายในพระไทยไทยใจเราก็เป็นผู้ผิดศรัทธาคนมี้อันหนึ่งที่จะสามารถแสดงธรรมเอาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะภาษาให้บริสุดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ า, าสาวกทั้งหลายจึงจะยินดีให้พยายามทาให้ปลอดภยให้สงบ ความพยุดก็คือความตุ้งซ่านนั่นเองความหาพยุดก็คือความสงบสงบแล้วพอสดถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นๆไ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหถ้าสงบแล้อยู่ไหนก็เย็นไปหเย็นที่ใจนี้แหละทาให้ใจเย็นร้อนก็คือใจร้อ น, นไปเป็นอันหนึ่งร้อนใจนี่ร้ายยิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เลชนะเพาะที่มันเป็นอยู่ภายในใจนี้้มันเลิเ่มแต่ธรรมชาติ ทำแค่แล้วก็เย็นไม่มีการมีสถานที่เวลาเวลาออาวิตุลงเพียงแค่นี้เท่าแล้ว